เรื่องสามเณรอรหันถูุกทรมานไม่โกรธพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภสามเณรผู้เป็นขีณาศพคือพระอรหันต์ทั้งหลายได้ยินว่าพรามคนหนึ่งจัดแจงพัฒนาหารจัดอาสนะเพื่อถวายภิกษุสีรูปพรามไปสู่วิหารได้สามเณรผู้เป็นขีณาศพสีรูป ซึ่งมีอายุเจ็ดขวบคือสังกิจจะสามเณรบัณฑิตสามเณรโสปากะสามเณรแล้วเรวตะสามเณรนางพรามไม่พอใจขอให้ตาพรามไปนิมนต์พระแก่พรามไปสู่วิหารอีกพบพระสารีบุตรจึงนิมนต์มาเรือนเห็นสามเณรสี่รูปนั่งอยู่ยังไม่ได้พัฒนาหารจึงหลีกไป นางพรามจึงให้ไปหาพระมาใหม่ตะพรามไปนิมนต์พระมหามุคลานะเทระมาถึงเห็นสามเณรนั่งอยู่ยังไม่ได้รับพัตนาหารก็กลับไปอีกเช่นกันนางพรามจึงบอกตาพรามว่าจงไปหาพราหมแก่ที่โรงสวดฝ่ายสามเณรนั่งรอแต่เช้าไม่ได้พัตนาหารเริ่มมีความหิวบีบคั้นนั่งรออยู่เท้าสักกะเทวราชร้อนอาด ด้วยเดชคุณแห่งพระขีนาศพของสมเณรทั้งสี่จึงแปลงเพศเป็นพราหมณ์แก่นั่งเหนืออาสนะที่เลิศอยู่ในโรงสวดแต่พราหมณมาิมนไปแล้วสู่เรือนนางพราหมณ์ดีใจลาดอาสนะปูสองชั้นเป็นพิเศษให้นั่งแต่เท้าสักกะไปไหว้สมเณรและนั่งต่อท้ายนางพราหมณ์บ่นพึมพำว่านำพราหมณ์บ้ามาอีกแล้วมาเที่ยวไหว้สมเณรอยู่ จึงขับไล่ออกไปเท้าศักกะแสดงตนเป็นเท้าศักกะเทวราชสองผัวเมียร้องด้วยความกลัวได้ถวายพัฒตาหารแกสามเณรแล้วฉันแล้วรูปหนึ่งเอาออกไปทางช่อฟ้ารูปหนึ่งไปทางหน้าหลังคารูปหนึ่งไปทางท้ายหลังคารูปหนึ่งดำดินเท้าศักกะก็เสด็จกลับไปอีกทางหนึ่ง สมัมเณีกลับสู่วิหารเล่าเรื่องที่ถูกปรามทรมานแต่ไม่โกรธพระสัสดาทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระขี่นาศพทั้งหลายย่อมไม่เครียดแค้นในชนทั้งหลายแล้วตรัสพระคถาว่าเราย่อมเรียกผู้ไม่เครียดแค้นในบุคคลผู้เครียดแค้น ผดับเสียได้ในบุคคลผู้มีอัจฉริยะในตนผู้ไม่ถือมั่นในบุคคลผู้ถือมั่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์อธิบายคําว่าผู้ไม่ถือมัน่นหมายถึงบุคคลผู้ไม่ยึดถือขันห่าว่าเป็นเราเป็นของเราคําว่าพราหมณ์หมายถึงพระกีนาศพคือพระอรหันต์ทั้งหลาย เป็นการเรียกตามความหมายของคนสมัยนั้นซึ่งหมายถึงผู้ลอยบาปผู้พ้นบาปคำว่าพรามที่เป็นนักบวชกับพรามที่เป็นวันนะแตกต่างกันนะครับในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิพลเป็นต้นดังนี้แหละ